10. วัด จ, จะกุติวัด ต, ตะกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในวัด จ, จักกุดีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่ง มีกำเนิดจากวันนภ า, ามทายอุจจาระไม่ยอมชำระเพราะรังเกียจว่าใครจะจับต้องของศกรปรกมีกลิ่นเหม็นนี้ได้เล่าในทวารหนักของภิกษุนั้นจึงมีหนอนอยู่ภิกษุนั้นจึงบอกให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านท่านถ่ายอุจจาระแล้วไม่ล้างหรือภิกษุนั้นตอบว่า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 ทราบว่าเธอถ่ายอุจจาระแล้วไม่ล้างจริงหรือภิกษุนั้นรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตาหนิครั้นทรงตาหนิแล้วทรงแสดงธรรมีระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุถ่ายอุจจาระแล้วเมื่อมีน้ำอยู่จะไม่ล้างไม่ได้ รูปใดไม่ล้างต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายถ่ายอุจจาระในวัจกุดีตามลำดับพรรษาภิกษุผู้นวกะทั้งหลายถึงก่อนปวดอุจจาระก็ต้องรอคลั้นอุจจาระ จนเป็นลมสลบล้มปลงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายทายอุจจาระในวัชกุดีตามลำดับพรรษาภิกษุผู้นวกกทั้งหลายถึงก่อนปวดอุจจาระ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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระตามลำดับผู้มาถึงสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีเข้าวัดจักุดีเร็วเกินไปบ้าง เวกผ้าเข้าไปบ้างถอนหายใจพลางถ่ายอุจจาระบ้างเขี้ยวไม้ชัมระฟันพลางถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสาวะบ้างบ้วนน้ําลายลงในรางปัสสาวะบ้างชัมระด้วยไม้แข็งบ้างทิ้งไม้ชัมระในช่องถ่ายอุจจาระบ้างออกมาเร็วเกินไปบ้าง เวกผ้าออกมาบ้างชาระมีเสียงดังโจกโจกบ้างเหลือน้ำไว้ในกระบวยชชาระบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษต่างตำหนิประนามโพรธนาว่าชะไหนพวกภิกษุฉับพักขีจึงเข้าวัดจักกุดีเร็วเกินไปบ้างเวิกผ้าเข้าไปบ้างถอนหายใจพลางถ่ายอุจจาระบ้าง เขียวไม้ชำระฝันพลางถ่ายอุจระบ้างถ่ายอุจระนอกรางอุจระบ้างถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายลงในรางปัสสาวะบ้างชำระด้วยไม้แข็งบ้างทิ้งไม้ชำระในช่องถ่ายอุจระบ้างออกมาเร็วเกินไปบ้างเวิรกผ้าออกมาบ้างชำระมีเสียงดังโจกโจกบ้าง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 ถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดในวัดจักุดีแก่ภิกษุทั้งหลายโดยที่ภิกษุทั้งหลายต้องประพฤติ ช, ชอบในวัดจักุดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไปวัดจักุดีพึงยืนแกรแอมข้างนอกแม้ภิกษุผู้นั่งอยู่ข้างในก็ควแรแกรแอมรับพึงผ้าจีวรไว้บนราวจีวร หรือบนสายระเดียงแล้วไม่ต้องรีบเข้าวัดจักุดีไม่ต้องเข้าไปเร็วนักไม่พึงเวิร์กผ้าเข้าไปพึงยืนบนเขียงถ่ายอุจจาระแล้วค่อยเวิร์กผ้าไม่พึงถอนใจดังพลางถ่ายอุจจาระไม่พึงเคี้ยวไม้จำราฝันพลางถ่ายอุจจาระไม่พึงถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระไม่พึงถ่ายปัสสาวะ นอกรางปัสสาวะไม่พึงบ้วนน้ำลายลงในรางปัสสาวะไม่พึงชำระด้วยไม้เนื้อแข็งไม่พึงทิ้งไม้ชำระลงในช่องถ่ายอุจจาระพึงยืนบนเขียงถ่ายแล้วจึงปิดผ้าไม่พึงออกมาเร็วไม่พึงเวกผ้าออกมาพึงยืนบนเขียงชาระแล้วจึงเวกผ้า ไม่พึงชําระให้มีเสียงดังโจกโจกไม่พึงเหลือน้ําไว้ในกระบอกชําระพึงยืนบนเขียงชําระแล้วปิดผ้าถ้าภิกษุถ่ายไว้เลอะเทอะวัดจะกุูดีต้องล้างให้สะอาดถ้าตะกร้าใส่ไม้ชําระเต็มพึงนําไปทิ้งถ้าวัดจะกุูดีสกรปรกพึงกวาดถ้าชานภายนใกรกก็พึงกวาด บริเวณรกก็พึงกวาดสมประตูรกก็พึงกวาดถ้าไม่มีน้ำในหม้อชมรัพึงตักน้ำมาไว้พิกษุทั้งหลายนี้คือวัดในวัดจักุดีสำหรับภิกษุทั้งหลายโดยที่ภิกษุทั้งหลายต้องประพฤติชอบในวัดจักุดี